พูทูตสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสันสนีสนทนามาปรากฏอยู่ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 กันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเช้านี้ซึ่งเช่นเคยคะ่ะเราจะมีพระมหาพภพยบูนอภิปุนโนจังหวัดป่าดอนไยโซอําเภอน้องหานอุดรธานีมาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพทูตนะให้กับเราซึ่งท่านเองเป็นพระสงฆ์ที่ศึกษา คำสอนของพระาศาสดาอย่างลึกซึ้งนะคะแล้วก็ได้ทำหน้าที่เผยแผ่คําสอนนี้รวมถึงการปฏิบัติและฝึกปฏิบัติให้กับผู้ที่สนใจมาเป็นเวลาสม่ำเสมอนะคะการปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกโดยท่านเป็นผู้ดาเนินการนั้นก็มีต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆเดือนอย่างเป็นลักษณะที่เป็นรูปแบบ เป็นคอสเป็นคอสเรื่อยไปวันนี้ทฉันมาพูดตรงหัวรายการเลยก็เผื่อว่าท่านที่สนใจฟังตั้งแต่ตอนตอน้นซึ่งส่วนใหญ่ที่ฉันจะไปพูดตอนท้ายอาจจะอ๋อฟังแล้วได้รู้จักพระอาจารย์มากขึ้นแล้วก็ได้เห็นโอกาสที่เราจะได้ไปฝึกปฏิบัติที่ไหนกันมากนิ่งขึ้นที่อุดรธานีเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ไกล น, นะคะแต่ในระหว่างที่เรายังไปกันไม่ได้ในรายการนี้ท่าอาจารย์เองก็ได้เมตตามาที่จะนาพวกเรา ปฏิบัติธรรมด้วยประสูตร เ, เช่นเดียวกันกับที่นำปฏิบัติที่อุดอรด้วยเหมือนกันนะคะโดยเราจะเริ่มต้นในส่วนของการปฏิบัติเนี่ยตั้งแต่ตอนต้นของรายการพร้อมๆกันทางวิทยุที่นำให้กับท่านอยู่ทางบ้านเนี่ยคะ่ะเพื่อที่จะให้การฟังธรรมของเราประมาณครึ่งชั่วโมงนั้นเนี่ยเป็นไปด้วยการมีสมาธิที่จะเข้าถึงธรรมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้เราก็ไปพบพระอาจารย์กันเลยคะ่ะ กลาวนมสการมคะนังคะเชิญพานค่ ะ, คะพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติก็เริ่มตั้งแต่ตอนที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใหม่ๆตอนนั้นพระองค์นั่งอยู่ใต้ใต้ต้นไทรก็มีความดำริว่าจะสอนเรื่องอะไรดีในที่นั้นก็มีความปริวิตกเกิดขึ้นว่าก็เรื่องสติปัฏฐานสี่นี่แหละนั่นจะเป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวแต่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้คิดตั้งแต่ตอนแรกว่าจะสอนเรื่องนี้เพราะนั้นการปฏิบัติของเราเนี่ยก็เริ่มจากการที่เรามาตั้งสติไว้เหมือนกัน และโดยใช้หลักใดหลักหนึ ja ่งหลักในที่นี้ก็คือฐานที่ตั้งใงการระลึกถึงนะซึ่งในที่นี้เราใช้กายก็คือลมหายใจของเราในลมหายใจที่เราหายใจอยู่อย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาตั้งแต่วันที่เราออกจากท้องแม่มานี่ยแหละสามารถใช้เป็นหลักในการที่เราจะตั้งจิตของเราไว้ที่นี่เวลาที่เราเอาจิตของเรามาอยู่กับลมหายใจเมื่อไหร่สติก็ตั้งขึ้นเท่านั้นสติที่ตั้งขึ้นจากการที่เราเอาจิตของเรามาจดจ่ออยู่กับลมหายใจนี้ สตินี้แหละคือสติปัฏฐานสี่เพนะราะว่าเราก็เห็นกายด้วยคือลมหายใจที่อยู่ที่นี้เราตั้งสติขึ้นเพื่ออะไรพระเจ้าได้บอกถึงว่าเวลาที่เรามีสตินั้นก็เพื่อที่จะทําความเข้าใจเรื่องของขันห้าให้เกิดขึ้นได้เรื่องของขันห้าก็คือเรื่องของตัวเรานี่แหละในกายเรานะมีส่วนที่เป็นกายส่วนที่เป็นใจนะคือรูปเวทนาสัญญาสังการวิญ ญ, ญานพระเจ้าให้ทําความเข้าใจโดยการเปรียบเทียบในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า สทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ําซึ่งมีกําเนิดแต่ภูเขาไหลไปทางต่ําสิ้นระยะไกลมีกระแสเชี่ยวจัดถ้าหากมีหญ้ากาสักตามหรือหญ้ากุสักตามหรือหญ้าปัปปะชากาตามหรือหญา้าวีรณกคตามหรือต้นไม้ก็าตามที่เกิดอยู่ที่ฝั่งทั้งสองของแม่น้ํานั้น หญ้าหรือต้นไม้เหล่านั้นก็จะพึงย้อยปกฝั่งทั้งสองของแม่น้ำนั้นมีบุรุษผู้หนึ่งถูกกระแสะแห่งแม่น้ำพัดพามาถ้าเขาจะจับหญ้ากาสากะตามหรือหญ้ากุสากะตามหรือหญ้าปป่าช้ากะตามหรือหญ้าวีรณากะตา ม, ห ร, าาตามหรือต้นไม้ที่เกิดริมฝั่งนั้นก็ตามสิ่งเหล่านั้นก็จะพึงหลุดขาดไป เพราะกระแสเชี่ยวจัดของแม่น้ำบุรุษนั้นก็ย่อมถึงการพินาศเพราะการกระทำเช่นนั้นอุปมานี้ฉันใดอุปหม่ก็ฉันนั้นคือปุถุชนผู้ไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้เห็นเหล่าพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ถูกแนะนำในธรรมะของพระอริยเจ้าไม่ได้เห็นสัตว์บุตร ไม่ฉลาดในธรรมของสัตว์บุรุษไม่ถูกแนะนําในธรรมของสัตว์บุรุษย่อมตามเห็นพร้อมคือเห็นดิ่งอยู่เป็นประจำซึ่งรูปโดยความเป็นตนย่อมตามเห็นพร้อมว่าตนมีรูปหรือเห็นว่ารูปมีอยู่ในตนหรือเห็นว่าตนมีอยู่ในรูปแต่ว่ารูปนั้นก็ย่อมแตกสลายแก่เกขาเขาย่อมถึงความพินาศ เพราะข้อนั้นเป็นเหตุบุตรชนนั้นย่อมตามเห็นพร้อมซึ่งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโดยความเป็นตนเห็นว่าตนมีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเหล่านั้นแต่สิ่งเหล่านั้นก็ย่อมแตกสลายแก่เขาและเขาก็ย่อมถึงการพินาศเพราะข้อนั้นเป็นเหตุเมื่อเราพิจารณา 5ในลักษณะนี้ก็จะทราบว่าขันห้านั้นเป็นสิ่งที่ยึดถือไม่ได้เลยเจอริญบอสาธุค่ะในพระสูตรนี้ก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าตรัสไว้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องขันห้าคุณโยมทิ๋วขันห้าเกิดอะไรก่อน ค, ค่ะดีงงค่ะทั้งคันเออเกิถ้าเราจะแบ่งความทุกข์คือสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกเนี่ยนะคือสิ่งที่เป็นทุกข์ทั้งสิ้นเลยสิ่งที่เป็นทุกข์ก็จะมีลักษณะเช่นที่ว่ า, ามันทนอยู่ได้ยาก มันปรุงแต่งตัวม ko ันเองแล้วก็บรุงแต่งสื่อเงินไปพร้อมๆกันแล้วก็มีก e ารแตกสลายเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเราแทบจะชี้ไป mm ทางไหนก็คือเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นแต่ถ้าเราจะแบ่งความทุกข์เอาสิ่ง mm ที hmm. ่เหมือนๆกันคล้ายๆกันมารวมๆกันไว้ด้วยกันนะเขาจะเรียกว่าเป็นกองนะกองเนี่ยภาษาบาลีก็คือขันนั่นเองนะเอาของที่เหมือนๆกันคล้ายๆกันมากองกองรวมกันไว้นะของที่เป็นของแข็งของเหลว g า s ของที่แตกสลายได้เอามากองๆองรวมกันไว้ก็เรียกว่ารูปขันตรงนี้ นั่นก็คือธาตุสีดินน้ำไฟลมกายของเรานี่เองนะฮะส่วนอื่นอีกถ้าเราเอาไอ้เจ้าความรู้สึกนะความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างทางตาทางหูก็ตามมากรองๆรวมกันไวนะ้นี่คือขันที่2นะส่วนนี้ขันหนึ่งก็คือเรื่องของอความหมายรู้วัน่ที่เราหมายรู้ในสีแดงสีเขียวรู้ว่านี่เสียงผู้หญิงนี่เสียงผู้ชายนะนี่รสเผ็ดรสเค็มนะความหมายรู้ตรงนี้ก็เรียกว่าสัญญามากองรวมกันไว้ก็เรียกว่าสัญญาขัน สังขารคือการปรุงแต่งและสุดท้ายก็คือเรื่องของวิญญาณคือการรับรู้ในเรารับรู้คุณรับรู้เสียงได้นี่คือวิญญาณแล้วนะรับรู้ว่าเสียงนี้เป็นเสียงผู้ชายเป็นเสียงดนตรีหรือเป็นเสียงพูดอันนี้คือสัญญามันก็จะมีความแตกต่างกันตรงนี้ในมิโนหดห้าขันตรงนี้เวทนาันิฟอรย์แล้ว สรุปแบบพวกเราง่ายๆนะคะดังนั้นก็ต้องบอกว่าพระพุธงเนี่ยเก่งจริงๆที่จะย่อยทุกอย่างซึ่งอยู่บนโลกไปได้ให้เหลือแค่ห้าอย่างใช่แล้วดิฉันเคยคิดตามค่ะเมื่อก่อนก็ไม่เชื่อนะคะก็ไปดั้งคิดตามว่ามันจะมีหลุดบ้างไปกว่านี้ไห ม, มเป็นขันที่หกที่เจ็ดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็ยังสามารถจัดพวกที่มีอยู่เข้าไปอยู่ในห้าขันนี้ได้ทั้งหมดท่านฟังลองคิดตามนะคะ รูปเนี่ยเข้าใจง่ายอ่าใช่อ่าสิ่งที่จับต้องไม่ได้เข้าใจง่ายแต่ท่านไปแบ่นได้ยังไงว่าไอ้ความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจเฉยเฉยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคันกับท่านรวบรวมได้ยังไงว่าเออในบรรดาสิ่งที่มันเกิดขึ้นมีประเภทที่แบบว่าคิดเอาเองกับประเภทที่เกิดขึ้นมาแล้วเราจําได้หมายรู้ได้ยังงี้ค่ะสุดมหัศจรรย์อืมได้มีความละเอียดอยู่ในเรื่องที่เป็นนามธรรมอยู่มากทีเดียวตรงนี้ ใ่ไแล้วอแล้วก็ ท, นกทีนี้ทําไมถึงต้องแบ่งอย่างนี้อย่างที่คุณโยมติวถามคือถ้าเราแบ่งคือแบ่งอย่างเนี้ยแล้วมันจะทําความเข้าใจเรื่องความทุกข์ได้แล้วนะคุณครูาเนี่ยมีความสามารถในการที่จะสอนคนเพราะฉะนั้นท่านก็คงจะทราบว่าเออสอนแบบนี้แบ่งแบงแ บ, แบนี้นะคนมันจะเข้าใจได้ทําความรู้ได้ก็เลยก็เลยแบ่งในะในลักษณะ5อย่างอย่างที่ว่านี้ทีนี้ไอเรื่องขันห้าคือไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เราเจอในปัจจุบันนะ ในกายเราก็มีขันห้าคือรูปใช่ไหมที่เห็ น, ยนอยู <Okay. S 1> นะ่เป็นอวัยวะต่างๆนี่ก็ส่วนรูปท่าสีดินนะ้ำใยหล่อมส่วนไอความรู้สึกภายในในอะย่างเราได้ยินเสียงเสียงที่เราได้ยินอะไรรับรู้วิญญาณรับรูนะ้รับรู้เป็นเสียงอะไระเสียงผู้ชายอันนี้สัญญาก็ทํางานปรุงแต่งดเูเขาอายุเท่าไหรเ่เขาจะทําอะไรไงต่อไปอันนี้เป็นสังขารอย่า ง, งนะี้เราฟังแล้วเราชอบใจไม่ชอบใจอันนี้เป็นวิญญาณซึ่งไอสีอย่างที่พูดถึงทีภายหลังเนี่ยเวทนา วิญญาณสัญญาและก็สังขารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นนามธตามทั้งสิ้นอยู่ในใจของเรานะีซึ่งพระเจ้ามีความละเอียดในการที่จะแบ่งแยกตรงนี้เพื่อที่จะให้เข้าใจถึงการทํางานขนะอง ม, อมอนันเนี่นะคะคือหมายความว่ารูปเนี่ยแบ่งง่ายเอาไปกรองไว้ที่เดียวใช่แต่ว่านามมีเยอะอืมมีมีวิญ ญ, ญ, ญาณก<ส>็ถือ เ, อเป็นนามใช่ไมใช่ใช่ใชเออทีนี้ไอ้ภาษาไทยเนี่ยมันจะเอ่องงงนิดหนึ่งนะในความเป็นอัลมาเพราะว่าอย่างคําว่าวิญญาณก็ เราเรียกภาษาไทยว่ารู้แจ้งบางคนก็แปลว่ารับรู้ใช่ไหมมีคำว่ารู้ละสัญญาก็หมายรู้ก็มีคาว่ารู้อีกเนื้อเวทนาก็รู้สึกแล้วก็มีคาว่ารู้อีกเแล้วสติสติก็ระลึกรู้อาก็มีคาว่ารู้อีกนืสัมปชัญญะก็รู้ตัวโทษควอมก็มีความวารู้อีกแล้วมันเลยงงๆว่าที่ว่าคุณรู้สิรู้อยู่ไหมรู้ไอ้นี่มันเลยงงๆไว้เลยไอ้รู้นี่มันรู้ไหนใช่ไหม ก็เลยก็เลยทําให้ต้องมีความจําเป็นที่ต้องเอาพูดถึงตัวศัพท์มานิดนึงบาลีเนี่ยที่ว่ารูปใบตานสัญญาสังการวิญญาณเนี่ยท่านผู้ฟังอย่าพิ่งงงนะว่ามันมีความแตกต่างกันตรงนี้ค่ะนะนะคะคือที่ท่านได้อธิบายไปแล้วนั่นเองว่ารู้อย่างไรอะไรรู้ค่ะทีนี้ในเรื่องของขันห้าเนี่ยไม่ใช่ว่าให้เราละนะคุณโยมดิวละเนี่ยหมายความว่าโยนทิ้งใช่ไหมเราจะพิ่งไม่ใช่นะคือในเรื่องของเรียสันสีเนี่ย ทุกสมุรทรยนิโรธมากใช่ไหมอันนี้เราท่องกันมาตั้งแต่เด็กๆนะทุกคืออะไรนะก็คือความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกเราท่องได้นะสรุปก็คือขันห้านั่นแหละเป็นทุกนะทุกให้ทํำยังไงผร้เชี่ยบอกว่าทุกเนี่ยให้รอบรู้นะให้รอบรู้คือทําความเข้าใจอันนี้ชัดเจนเลยนะอันนี้เป็นเทศกันแรกเลยที่ป่าอีสิปตนะมฤคตยวันนะบอกกับเราเป็นจากวิคีทั้ง5คนบอกว่าทุกเนี่ยคุณต้องรอบรู้นะไม่ใช่ว่า ท, าท้งทิ้งไม่ใช่ให้ละ <Okay. S 2> นะแต่สิ่งที่ให้ลกคือตัณหานะตัณหาเป็นสิ่งที่ควรละอันนี้ <Okay. S 2> เทศกันแรกบุรุษเจ้าเลยนะตัณหาเป็นสิ่งที่ควรละเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําความคือเราคิดว่าเออรูปเบทนะสัญญาต่งกันกรเราต้องละนี่ผิดคุณก็จะผิดแต่ให้ทําความเข้าใจค่ะ <Okay. S 2> นะถ้าเราทําความเข้าใจขันห้าได้อย่างถูกต้องแล้วเราจะละตัณหาได้นะพอเราละตัณหาได้แล้วไอขันห้าเนี่ยมันจะไม่มาเป็นทุกข์กับเราอีกต่อไป ต้องเข้าใจตรงนี้คือไม่ใช่ว่าไปโยนทิ้งความทุกข์นะอะไรก็ทิ้งหมดไม่ใช่แต่ให้ทิ้งตัณหาแต่ไอ้สิ่งที่เราเจออยู่เนี่ยให้ทําความเข้าใจวางกันค่ะนะคะอันเนี้ยเรนคิดว่าเป็นประโยชน์จริงๆปรถมพระเทศนาเหรอคะที่ท่านพูดถึงว่าพระพุทธ์ตรัสในเรื่องของการละตัณหาเอาไว้ในกล่าวสอนครั้งแรกใช่ก็ธรรมจักรปวัตตนสูตรตรงนั้นค่ะธรรมจักรปวัตตนสูตรชื่อเพราะๆที่เราได้ยินกันเนี่ยสาระสําคัญ คือสอนที่จะให้เรารู้ว่าตัณหาเนี่ยอันตรายใช่เรื่องของอริยสัจสนั่นเองพูดถึงในแต่ละอันว่าต้องทําอย่างไรค่ะซึ่งในเรื่องทุกข์คือไม่ใช่ให้ละแต่ให้ทําความเข้าใจะนะตัณหาไม่ใช่ให้อยากให้เก็บเอาไว้แต่ให้ละเข้าในะคือคือบางคนเนี่ยจะมีความเข้าใจว่างั้นฉันต้องเอาความสุขไว้นะฉันต้องละความทุกข์นะละความทุกข์แต่ต้องการความสุขใช่ไหม คนทั่วไปจะเป็นอย่างนี้ซึ่งซึ่งคุณเข้าใจลอจิกผิดเลยนะ <_ C 1> เพราะว่าสมมุติถ้าเราแบ่งให้ถูกนะคุณอยากได้ความสุขอยากได้ความสุขใช่ไหมอันนี้ก็คือที่คนส่วนใหญ่ต้องเข้าใจกันนะอันนี้มันผิดตรงแรกตรงนี้ความอยากคุณเก็บเอาไว้ความอยากคุณเก็บเอาไว้เพราะอยากได้สุขใช่ไหมคืออยากก็ต้องเอาไว้ด้วยนะแต่ไอ้ทุกเนี่ยไม่เอาแต่ว่าไอ้สุขกับทุกเนี่ยเป็นความทุกนะสุขกับทุกเนี่ยคือทุกสุขกละทุกเนี่ยเป็นขันห้านะซึ่งเราต้องทําความเข้าใจเขาไม่ใช่ว่า ให้ทิ้งเข้าใจนะ เ, เ, เดี๋ยวให้อดีมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคือหมายความว่าสุขและทุกข์เนี่ยคือจริงมันเป็นก้อนเดียวกันนะมันไม่ใช่คนละก้อนถ้าเราจับก้อนเดียวรวมกันไว้นะเราก็ทําความเข้าใจก้อนสุขก้อนทุกข์นี้นะโดยที่ไม่ใช่แค่แบ่งครึง่งแล้วก็ทิ้งทุกข์แต่เอาสุขไว้อันนี้คิดไม่ถูกน ะ, ะแต่ทั้งสุขทุกข์และสุขให้ทําความเข้าใจอที่ต้องทิ้งคือความอยากตรงนี้ต่งางหากนะค่ะถ้าที่ฉันจะพูดรวมๆอย่างนี้ได้ไหมคะ ว่าในเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าบโลกนี้นมันมีอยู่หกองใช่ไหมคะใช่ค่ะและนั่นแหละคือกองทุกถูกไหมคะใช่ทีนี้ไม่ว่าเราจะอะไรก็แล้วแต่พิจารณาไปทุกๆอย่างที่เป็นปรากฏการณ์ซึ่งเกิดขึ้นกับเราเพราะนั้นหมายความว่ามันไปรวมอยู่ในห้ากองคือความทุกข์อยู่แล้วถูกต้องถูกต้องรายละเอียดตรงนี้มันมีอยู่นิดหนึ่งอย่างเช่นว่าเวลาที่เรามีภาษาใดมกระทบ เราก็ต้องที่ว่าพิจารณาเนี่ยคือพิจารณาโดยแยบขายคือโยนิโสมนสิกานั่นเองซึ่งไอ้การโยนิโสมนสิกาเนี่ยพระพุทาเคยอธิบายไว้อีกในพระสูตรหนึ่งที่พูดถึงว่าเอ๊ะทำยังไงเรียกโยนิโสมนสิการทำยังไงเรียกการพิจารณาโดยแยบขายก็ต้องพิจารณาโดยในยะาของอริยสัจสีนั่นเองต้องแยกย่าให้ออกว่าอ๋อไอ้ที่สมมติมีเราเห็นคนทาชั่วอย่างเงี้ยเราเห เราเห็นคนเขาให้ทานรักษาศีลอยู่เออเขาทำดีฮะเอ๊ะนี้เป็นอะไรโอ้อันี่เป็นส่วนของมรรคเอ้างั้นต้องเอามาทำให้เจริญนะเราเห็นเรื่องในทีวีเป็นดนตรีเป็นอะไรต่างๆเอ๊นี่เป็นอะไรโอ้นี่เป็นส่วนของความทุกข์อันนี่เราต้องทำความเข้าใจอย่างนี้เป็นต้นใช่ค่ะนะคะท่านฟังไวไปหรือเปล่าคะท่านอาจารย์กำลังจะบอกว่าไม่ว่าจะเห็นอะไรก็แล้วแต่ใช้อริยศาสตร์สีที่พระพุธองสอนก็คือว่าดูซิเป็นทุกข์หรือเปล่าเพราะอะไรถึงเป็นทุกข์นี้แล้วก็อ หนทางดับทุกเรื่องนี้จะดับได้อย่างไรแล้วก็ถ้าพระพุทธองค์วิธีพระพุทธองค์ก็คือได้วางหนทางเอาไว้ที่เรียกว่าอาริมักไมงองค์แปดสหานการหลุดพน้นถูกไหมคะใช่ใช่ใช่<ะ>ซึ่งซึ่งอย่างที่คุณยมติวบอกนั่นแหละว่าไม่ว่าเราจะเห็นอะไรเนี่ยเราเห็นธรรมะได้หมดเลย<ะ>เห็นธรรมะได้หมดเลย<ะ>นะอจุดประเด็ น, นหนึ่งที่ประสูตดที่ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ยอที่พระชาตเปรียบเทียบเหมือนกับ ญ่าหรือญ่ามีทั้งหมด4ประเภท5ประเภทเนี่ยนะที่มันจะเกิดขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ําถ้าใครเคยไปล่องแก่งที่สระบุรีหรือว่าที่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราเห็นว่าลําน้ำเนี่ยมันจะมีญ่าปกคลุมลงมาเยอะแย ะ, ยะไปหมดนะซึ่งอันนี้เป็นการอธิบายตรงนี้ที่บุชชาอธิบายว่ามันจะมีญ่าอยู่4ประเภทนะศัพท์เทคนิคในที่นี้ก็ญ่ากูษะย่ากาสะอะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับนะย่าคาญ่าแฝกหรือญ่าแพรกอะไรก็แล้วแต่มันก็จะย้อยปกคลุมลงมา ประมาณ <Okay. S 1> นี้หรือต้นไม้มันก็จะโน้มกิ่งลงมา <Okay. S 1> นะประเด็นก็คือว่าถ้าเราไปจับไอ้พวกนั้นเนี่ยคือสมมติกระแสน้ํำแรงกระแสน้ําเชี่ยวกราดอย่างคนที่เขาล่องแก่งนะมีคนล่องตามกระแสน้ํามาโอ้โหตายละถ้าไปถึงนี่มันน้ําแรงขนาดนี้แสดงว่าข้างล่างต้องมีน้ําตกแน่ <Okay. S 1> ถ้าไปถึงตรงนั้นต้องตายแน่นอนทํายังไงละ่นะก็ต้องรีบขึ้นฝั่งซะก่อนนะถ้าเขาไปจับพวกหญ้าต่างๆพวกเนี้นะเขาจะต้องออถูกกระแสน้ําพัดไปไอ้พวกหญ้าพวกนี้ต้นไม้พวกนั้นก็จะขาดออก เราก็จะยึดถือไม่ได้เลยนะอุปมาอุปไมยเนี่ยแยบขายมากคุณโยมติวว่าเราจะมายึดถือขัน5เนี่ยว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่จะมาพำนักพักพิงบางคนคิดว่าโอ้ฉันได้โครงการนี้แล้วจะสบายละได้เงินล้านละแต่มันก็ไม่สบายนะก็ยังมีความทุกข์แบบที่คนเงินล้านเขามีอย่างนี้เป็นต้นนะค่ะหรือบางคนอาจะคิดว่าเออฉันสอบเข้าที่นี่ได้ได้งา น, านที่นี่ฉันสบายลนะไหนเรียนจบมาอะไรฉันสบายละแต่พอไปถึง เอ๊มันก็ยังมีความทุกข์อยู่แฮะมันก็เป็นที่พึ่งไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ขอพระทันโทษนะคะที่ฉันหัวเราะไปในคิดตามนั่นค่ะว่าตัวเองคิดอยากจะยึดต้นหญ้าอะไรค่ะซึ่งซึ่งมันยึดไม่ได้เลยยึดแล้วเราจะชิบหายเองอเดี๋ยวมันจะขาดออกค่ะอ <c oughs> ในที่นี้ก็เคยเปรียบเทียบกันอย่างนี้นะอย่างเช่นว่าคุณยมดิวเคยขับรถทางไกลยอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาแดดตอนเที่ยงวัน แล้วก็จะมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่านะคือเราจะเห็นเหมือนกับถนนข้างหน้าเราเนี่ยมันจะมีแอ่งน้ําอยู่อ่ามันจะมีแอ่งน้ําอยู่ภาษาไทยเขาเรียกว่าพยับแดดอ่าเวลาเราขับรถไปตามถนนดําถนนอ่าเขาเรียกถนนอะไรถนนยมามะตอยถนนยางมะตอยออนั่นแหละแล้วก็ไปสักประมาณไม่ถึงกิโลหรอกเราจะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีแอ่งน้ําอยู่คะตอ น, นเด็กๆเนี่ยอาตมาเนี่ยโอ้รู้สึกว่ามันอัศจรรย์มากเลย ค, นะคือยมพ่อเนี่ยขับรถไปใช่ไหมไปเที่ยวต่างจังหวัดอย่างเนี้ย โอ้ยนั่นอะไรทำไมมีแอ่งน้ำอยู่เราก็เป็นเด็กอะเราก็ไม่รู้ <c oughs> นั้นก็พยายามเออเมื่อไหร่จะถึงจะถึงแหมอยากจะดูอยากจะเล่นใช่ไหมเออก็เลงว่าเมื่อไหร่จะถึงเนาะเอ๊ะทำไมไม่ถึงสัทนะีหน้าแล้วขับมาตั้งไกลไม่น่าจะถึงแล้วก็เลงดูดีๆว่าต้องเสาไฟฟ้าต้นนี้ต้องต้นไม้ตรงนี้นะมันต้องถึงแล้วเอ๊แต่มันก็ไม่ถึง <c oughs> อันนี้พระเจ้าเคยยกตัวอย่างอุปมาปมายัยเกี่ยวกับพยับแดดเอาไวา้ว่าเหมือนเหมือนมีตัวตนแต่พอเข้าไปใกล้ปุ๊บมันไม่มีอะไรมันหาสาระไม่เจอคะ เหมือนอย่างนี่แหละที่เราคิดว่าเราจะสอบได้เราเอได้โครงการนี้ฉันทํางานที่นี่ฉันได้ตําแหน่งนี้ฉันรู้สึกจะดีแต่พอไปถึงปุ๊บเฮ้ยมันมันไม่มีอะไรมันแบบเขายังมีทุกข์อยู่เหมือนเดิมไม่มต่างอะไรอนะไรเงั้ยค่ะฟังตามท่านเพ็ญบุญนี่ย่านเชื่อว่าถ้าฟังหลายท่านจะคล้ายกับที่ทนนะคะถ้าเป็นพูดแบบภาษาคนที่ยังไม่เข้าใจพูดทวชนะเขาบอกว่างูฟังแบบนี้แล้วปรงตกเลย <laughs> <laughs> ขออภยัยค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดพอรู้พูดทวชนะแล้วเนี่ย ดิฉันจะใช้คำใดดีจริงจเหมาะนะคะว่าพอฟังแบบนี้ว่าไอทีเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นพยับแดดนะคะพยับแดดแล้วถามว่าแล้วอะไรแหะที่ที่เราจะพึ่งได้มันเหมือนกับชีวิตไม่มีความหวังอะอย่างที่คุณโยมถือว่าโปรงตกไปเลยเนี่ยเราต้องมีที่พึ่งคือพระพุทธธรรมประนนสงค์นี่แหล ะ, ะนะคือที่พึ่งเนี่ยคือธรรมะเอาพูดง่ายเอาธรรมะเป็นที่พึ่งแล้วยังไงบ้างอย่างสมมุติว่าบางทีเราเจอปัญหาในชีวิตนะเราคิดว่าเออเราแต่งงานกับคนนี้หมย่ยกี้ว่ามันจะดี แต่ปรากฏเอาก็มีความทุกข์ของคนที่แต่งงานก็มีเอ้มันไม่ได้สบายใจเลยเราจะทํำไงดีคือถ้าเรามีธรรมะในใจเนี่ยอย่างเช่นมากคนที่มาปฏิบัติธรรมนะเขาจิตสงบว่างลงไปเอ้ตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นเกาะกลางน้ำนะคุณโยมเดี๋ยวนึกถึงภาพที่น้ํากําลังสู้สู้พัดพัดมาเนี่ยถ้าเราไปเจอเกาะกลางน้ําโอ้แล้วเป็นแก่งที่ดีเนี่ยเราจะพอจะยึดได้นะพอให้พักผ่อนได้พอหายใจได้นะไม่ต้องตะเกียกตะกายจมดดบุดําไา้ดําบุดำว่ายอย่างนั้นอยู่ อันนี้เป็นที่พึ่งเขาเรียกว่าเป็นเกาะนะเกาะแบบแก่งอะนะซึ่งพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยเป็นเกาะศัพท์เทคนิคคือสารณะที่คือเป็นแก่งที่เราให้เกาะได้พอยืนเหยียบถึงในะนะอีกประสูตหนึ่งที่เราเคยพูดกันไปวันก่อนนู่นที่พูดถึงว่าบางทีน้ํามันท่วมขึ้นมาเนี่ยไอ้แก่งนี้มันถูกน้ําท่วมนะเรากําลังถูกน้ําพัดมาเงี้ยเอ้ยเพอเอินขาไปเหยียบอะไรข้างล่างถึงพอยืนเฉงเงอให้หายใจได้มันเป็นที่สบายนิดนึงตรงนี้ นะเป็นแก่งได้เป็นที่เกาะได้นะั่นคือพระพุท ธ, ธรรมประสงค์นั่นเองตรงนี้คือดิฉันรู้สึกว่าคําอุปมาอุปไมยที่ท่านพูดเนี่ยต้องทบทวนนิดนึงนะคะคือเหมือนกับว่าพอยืนไดแ้แต่ว่าท่านบอกว่าสิ่งที่เราพอยืนอยู่ได้เนี่ยคือที่พึ่งคือคําสอนใช่ไหมครพระพุทธรธรรมประสงค์ใช่ใช่ทีนี้ดูเหมือนยิ่งใหญ่ทำไมกลายเป็นแค่พอยืนอยู่ได้คะท่านค ะ, ะเพราะว่าเรายังอยู่ในน้ําอยู่ นะคือเรายุ่งอยู่ในน้ําอยู่คือคือต้องต้องต่อไปคือยังไงคือต่อเมื่อคุณออกจากน้ําตัวแห้งแล้วค่ะนะคุณสบายสุดๆเลยนั่นคือรู้อริยสัจสีเป็นพระหรันอ๋ออ่าคือในยะที่พระเจ้ากล่าวก็คือว่าคือคุณต้องมีพระพุทธพระธรรมพิสุงเป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจสีด้วยปัญญานี่มันจะมีขั้นต่อไปอย่างนี้อ่าต้องเห็นอริยสัจสีด้วยปัญญาต่อไปนะนั่นหมายความว่าอย่าคิดว่าพึ่งธรรมะอย่างเดียวแต่ต้องพึ่งตัวเองด้วยไม่งั้นก็ ไม่สามารถใช้ปัญญาไปพิจารณาให้เกิดปัญญาอันยิ่งขึ้นสิคะใช่ใช่ใช่พึ่งตนพึ่งธรรมพึ่งพระพฤติพรธรมประสงค์ก็คือในยะเดียวกันค่ะะว่าว่าแทนที่คุณจะไปจับหญ้าที่มันย้อยปกลงมาเนี่ยแล้วเพื่อที่จะขึ้นฝั่งมันไม่ได้แต่คุณคต้องหาแก่งกลางน้ําหรือว่าสักด่นหนึ่งนี่คือพระพุทธพรมพระสงค์นั่นแหะพึ่งตนพึ่งธรรมนั่นแหะแล้วขึ้นฝั่งไปค่ ะ, คะนะคะ เ้าคงจะกระจางกันแล้วเพราะว่าอพอฟังท่านเอ๊ะก็ยืนอยู่ได้แป๊บเดียวพึ่งได้ยังไงหลักพึ่งไม่ได้เลย น, นั่นเ อ, อถ้าเกิดเจอน้ำนนแรงแต่เท่ากับว่าอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยเพื่อที่ให้ท่านรู้ว่าตัวเองเนี่ยยังต้องทำงานนะคะคือต้องอไปศึกษาและปฏิบัติคือหนทางของการที่เราจะได้หลุดพ้นจากกระแสน้ำอันเชี่ยวกรานนะใช่ใช ขึ้นฝั่งไปเป็นคนที่มีตัวแห้งสบายใจแล้วตรงนั้นค่ะญ้าของพระพทุทธองค์นี่ชื่อเพราะจังเลยนะคะญ่ากาสะย่ากุสะญ่าปัปชะชา <c oughs> ญ้าวีรณะนี่ชื่อยิ่งเพราะใหญ่เลยก็ <c oughs> เป็นเป็นประเภทเอ่อเป็นญ้าแพรกญ้าแฝกญ่าไผ่ประมาณนี้แหละพวกนี้ย่าปัปปะชาพวกนี้เป็นญ้าที่มีรากมันยุ่งเหยิงมากเลยพวกนั้นย่าทั้งสามชนิดนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรยึด แล้วก็พยับแดดของท่านปฏิภาพวิโลมใช่ใชก็ไม่ควรไปถือว่าเป็นจริงเป็นจังของพวกนี้เหมือนว่าว บ, บแว บ, บ, แ บ, บวงตาเป็นภาพลวงตายถูกต้องเป็นของที่เหมือนจริงแต่พอเข้าไปเห็นปุ๊บเข้าไปใกล้ปุ๊บไม่มีสาระอะไรค่ะดังนั้นประเด็นในวันนี้เนี่ยกาลังจะบอกใช่ไหมคะว่าเท่ากับว่าโบนโลกใบนี้นี่เราไม่สามารถที่จะยึดอะไรได้เลยที่เป็นที่พึ่งต้องพึ่ง พ, พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเองถูกต้องถูกต้องเยี่มมากนะะวันนี้ก็มาได้ความรู้เยอะเลยค่ะกลาวน้ัมสการขอบคุณราาพระมหาภัยบุญอภิปุลโนว้ยน่ากาสนี้นะคะน้ัมสการค่ะเย<ม>ี่ยมากค่ะท่างฝั่งที่ครบค่ะแล้วนั่นก็คือประสงค์นะคะจากอุดรธานีวัดป่าดอนหายโศกที่มีความตั้งใจอย่างยิ่งนะคะที่จะให้คําสอนของท่านที่ถ่ายทอดมาจากพระศาสดานั้นได้เป็นที่ที่เราจะได้ถือเอาเป็นที่พึ่ง ที่จะนำพวกเราทุกน้อยลงน้อยลงกัน ต, ต่อไปก็เข้าใจกันนะคะว่าบนโลกใบนี้เมื่อแบ่งกันแล้วพระพุทธองค์ได้แบ่ ง, แ บ, งแบบผู้ที่เห็นโลกชัดแจม่มแจ้งจริงๆทั้งหมดมารวมอยู่ในแค่ห้ากองเท่านั้นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและทั้งหลายทั้งปวงนั้นคือกองทุกนะคะอย่าได้ไปยึดทุกมีไว้รู้ตันหามีไว้ละขอให้ทุกท่านได้พบกับ ความเจริญทางปัญญาเพื่อผ่าตัวรอดต่อไปนะคะจากรายการสันสนิษฐนนานที่นั่นสันนินาคพงนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 ทุกทุกเช้าตีห้าถึงตีห้าครึ่งวันนี้พุทธวสวัสดีค่ะ